ก็กราบน ะ, ะขอโอกาสะะครูบาอาจารย์นะครับทุกๆรูปแล้วก็เพื่อนสัตรมิกน ะ, ะแล้วก็เจริญพรณนชีนะฮะพวกเราญาติธรรมทั้งหลายแหลพวกเราก็มากันปีใหม่สงกรานนะฮะบรรจุเข้าวัดกันก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะนะคือ เราให้โอกาสกชีวิตเรากับสิ่งดีๆงามๆตรงนี้ก็ก็ต้องแบบเรียกว่าต้องอนุโมทนากับทุกๆคนการที่ชีวิตเราจะมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องเ ป, เป็นเรื่องที่ยากเนาะ มันก็มีเหตุอะไรต่างๆนาน า, นาหลายหลายอย่างที่จะทำให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปไม่ได้แต่ว่าพวกเราเองก็แม้สุกโตจะไกลจากที่บ้านพวกเรานะฮะแม้ว่าบางคนก็ขับรถมาจากกรุงเทพได้ยินว่าส3าชั่วโมงอย่างนี้นะก็โอ้โหนะะก็ถือว่าความตั้งใจมั่นของพวกเราก็ดีมากๆเลยตรงนี้การที่ ให้สุคโตเป็นที่ที่จ ะ, ะเ็าเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่พวกเราจะได้มาปฏิบัติธรรมกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็ <c oughs> ต้องเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเป็นเรื่องที่ดีมากๆดีเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าชีวิตประจำวันของพวกเรา<อ>ก็จะมีนิสัยเนาะ นิสัยเก่าๆที่พวกเรามีกันอยู่นิสัยที่อยู่กับที่เก่าๆมันก็พวกเราเองก็จะบางทีก็พบเนาะว่าเราเหลียวซ้ายแลขวานะฮะก็เดี๋ยวตรงนั้นก็ไม่ถูกตาเดี๋ยวตรงนี้ก็ไม่ถูกใจนะฮะแล้วก็บางทีเราก็ไม่รู้จะหลุดออกจากห้วงของความเคยชินอย่างนั้นยังไงบางทีก็แบบมีอะไรนะเขาเรียกว่า มีความคิดล่วงหน้าไปก่อนเลยเดี๋ยวก็จะเจออันนั้นเดี๋ยวก็จะเจออันนี้เพราะความเคยชินกับสถานที่เก่าๆตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เราหาโอกาสให้กับตัวเองเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ทํานองเดยกันตรงนี้เนี่ยการที่พวกเรามาที่นี่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนนิสัยใหม่การเปลี่ยนนิสัยใหม่นิสัยเก่าที่แต่ละคนมีอยู่กันตรงนั้นก็เป็นนิสัยที่เรียกว่า กอทุกขก่อโทษนะไม่มากก็น้อยพวกเราลองนึกๆึกดูนะวันวันหนึ่งพวกเราจะมีเขาเรียกว่ามีความขุ่นข้องหมองใจเนี่ยสักวันหนึ่งกี่ครั้งถ้าเกิดว่าพวกเราได้อย่างสมมติฐานว่าพวกเราได้พิจารณาตัวเองเนาะผ่า น, ผ, านผ่านการขบฉันผ่านการทานอาหารเนี่อลับลองได้เลยว่าตลอดเวลาของการทานอาหารหนึ่งครั้งเนี่ยจิตของพวกเราเนี่ยเดี๋ยวก็จะ <L an> เขาเรียกว่าพาตัวเราเองทุกนะต้องเรียกว่าไม่น้อยกว่า20ครั้งเนาะต้องเรียกว่าไม่น้อยกว่านะเพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวอันนั้นก็เผ็ดไปเดี๋ยวอันนี้ก็เค็มไปเดี๋ยวอันนั้นก็แข็งไปเดี๋ยวอันนี้ก็น้ําเยอะไปต่างๆนาน า, น า, นานเนี่ยพวกเราลองดูนะว่าสิ่งต่ตางๆนาน า, น า, น า, นานที่เกิดขึ้นกับจิตใจเราตรงเนี้ยเนาะมันเป็นยังไงกันอย่างเงี้ยคือเรื่องพวกนี้ละก็เป็นเรื่องที่สําคัญว่า เพราะเราเนี่ยหาเรื่องทุกใส่ตัวเนี่ยต้องเรียกว่านาทีหนึ่งเนี่ยหลายหลายครั้งนาทีหนึ่งหลายหลายหนรวมรวมกันวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราหาเรื่องทุกใส่ตัวเนี่ยมากมายเหลือเกิน ท, ทั้งที่เรื่องต่า ง, า ง, างๆนานาเหล่านี้บางทีคนอื่นก็ไม่ได้ทุกข์กันแต่ว่าเราเองก็ทุกข์ไปเนาะบางทีเจอข้าวสีไม่สวยก็นะใช่ไหมฮะก็มีอีกแล้วไม่ถูกตาต้องใจ ก็มีแบบนี้นะฮะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ว่าถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยลองมีกระดาษแผ่นหนึง่งมีปากกาอันหนึง่งลองติ๊กติ๊กดูเนาะเก <derni> ิดความไม่ถูกตาไม่ถูกใจอะไรเกิดขึ้นมาตรงเนี้ลองติ๊กดูติ๊กดูติ๊กดูเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะพบว่าเราหาทุกใส่ตัวจากเรื่องที่เราคุณนคล้องหมองใจเนี uh, yeah ่ยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ว่านั่นคือนิสัยเก่านิสัยอันหนึ่งที่ จะพาพวกเราเนี่ยทุกโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าความที่เรามีอิเลียบทอื่นๆเนาะเข้ามาปิดบังบางทีเราก็มีเรื่องราวต่างๆนานาใหม่ๆเข้ามาปิดบังทำให้เราเนี่ยไม่ทันได้สังเกตเนาะกายสังเกตใจเราถ้าหากว่าพอเราได้สังเกตกายสังเกตใจเราเราจะพบว่าสิ่งต่ตางๆนานาเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจมากๆว่าเอ๊ะวันหนึ่งเราหาทุกใสตัวขนาดนี้กัน ่เพราะฉะนั้นนี่คือเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะต้องแบบว่าพาตัวเองออกจากห่วงทุกตรงนั้นพาตัวเองออกจากห่วงทุกตัวนั้นหลวมพ่อคาเกณฑนก็จะบอกว่าเป็นเรื่องรีบด่วนที่สุดเป็นเรื่องรีบด่วนที่สุดเรื่องอื่นก็ไม่ด่วนแล้วนะฮะจะเป็นเรื่องช้อปปิ้งนาทีทองแรงตานาหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องจําเป็นแต่ว่าเรื่องที่รีบด่วนที่สุดก็คือตรงนี้แหละเรื่องของการเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ เราเองเนี่ยจะต้องทำกันการปฏิบัติทำกั น, ก, นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่พวกเราเนี่ยหัดเป็นผู้ดูเนาะหัดเป็นผู้ดูจะอย่างหลวงพ่อเทียนก็จะบอกว่ากลับมารู้สึกตัวก็ได้แต่ว่าหลวงพ่อเข้มเขียนก็จะบอกว่าตรงเนี้ยเนาะพวกเราเข้าไปเป็นผู้เป็นเนาะเข้าไปไม่ถูกตาต้องใจต่างๆ น, นานาเหล่านี้เข้าไปหงุดหงิดเข้าไป อะไรต่างๆนานาเหล่านั้นเรียกว่าเข้าไปเป็นผู้เป็นเนะาะคือนี้ว่าตรงนี้เนี่ยให้เราก็กลับมาเนาะฝึกนิสัยใหม่ฝึกในการเป็นผู้ดูเมื่อก่อนเราอาจจะใช้ตาของเราตรงนี้ดูไปในเรื่องต่างๆนานาเนาะตอนนี้เราก็ใช้ตาสติกลับมาดูที่จิตใจของเราตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเขียนเนี่ยจะบอกเอาไว้ว่าถ้าพวกเราขึ้นลดเมย์ถูกสายแล้วเนี่ย จดหมายไปทางเนี่ยถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นก็คือการขึ้นลดเมลทุกสายในความหมายของหลวงพ่อเขียนเนี่ยก็คือการหัดที่จะเป็นผู้ดูตรงนี้ละ่ะการหัดที่จะเป็นผู้ดูแล้วเราก็เริ่มต้นจากการที่ยกมือสร้างจังหวะอย่างที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยได้แนะนำเอาไว้ตรงนี้ละ่ะก็เราเริ่มต้นยกมือสร้างจังหวะการที่ยกมือครั้งหนึ่งเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งรู้สึกตัวการรู้สึกตัวตรงนี้ละ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดว่า ถ้าพวกเราเนี่ยได้หัดให้ตัวเองเคยชินเนาะกับการที่เคลื่อนไหวเมื่อไหร่ก็รู้สึกตัวเมื่อนั้นเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ก็รู้สึกตัวเมื่อนั้นตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้ค่อยๆก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ดูแล้วก็การที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ดูตรงนี้ละ่ะเราจะได้เริ่มเห็นจิตเห็นใจของเราเห็นว่าจิตอันนี้เนาะเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเนาะ เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็เป็นปกติเมื่อมันก่อนนี้พวกเราคงทันได้ยินเนาะหลวงพ่อได้เทศตอนเช้าที่ข้างหน้าเนาะได้เทศตอนเช้าที่ข้างหน้าสาราหน้าตอนฉันเช้าเนี่ยทันได้ยินหรือเปล่าว่าตอนที่สงน้ากันเนาะสงน้าพระกันตรงนั้นอนะใช่ไหมแบบว่านิพพานอะอยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ย พวกเราท่นได้ยินกันหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ยินก็ไม่สำคัญเท่ากับพวกเราเนี่ได้สังเกตหรือเปล่าว่าในขณะที่จิตของพวกเราเนี่ยบางทีเดี๋ยวก็มีดีเดี๋ยวก็มีร้ายแต่ทำนองเดียวกันก็จะมีจิตที่เป็นปกติจิตที่สำรวมระวังอยู่ในขณะที่พวกเราวันนั้นเนี่ยอาจจะเข้าแถวเนาะรอโอกาสในการสงน้าพระอยู่เนี่ย พวกเราได้ทันรู้สึกตัวกันบ้างหรือเปล่าว่าในขณะที่พวกเราเนี่ยกำลังตั้งอกตั้งใจสํารวมระวังที่จะถึงโอกาสของพวกเราตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่บางครั้งจิตของเราเนาะเราก็จะเป็นจิตเป็นปกติไม่ได้เป็นจิตทีเ่เขาเรียกว่าเป็นจิตที่อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่ว่าเป็นจิตที่สํารวมระวังโอกาส โอกาสที่เป็นโอกาสดีที่สุดของชีวิตอันนึงก็คือปีหนึ่งจะได้ส่งน้ําพระจะได้มีโอกาสส่งน้ําหลวงพ่อตรงเนี้เนาะก็จะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเองบอกว่านาทีนั้นละ่ะก็เป็นนาทีที่เราเนี่ยทุกนิพพานออกไปจากใจเราตรงนั้นนะพวกเราสังเกตกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะคำว่านิพพานในมุมของหลวงพ่อตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะความโกรธนิพพานไปจากใจเราหรือ ย, ยัง ความทุกข์นิพพานไปจากใจเราแล้วหรื อ, อยังตรงนี้ล่ะเป็นสิ่งที่เราอยากให้ทุกข์นิพพานไปจากใจเราอยากให้โกรธนิพพานไปจากใจตรงนี้ก็หมายความว่าเรากลับมารู้สึกตัวเมื่อไหร่เรากลับมารู้สึกตัวจิตกลับมาอยู่กับกายเรากลับมาสำรวมระวังอยู่กับกายเราจิตก็จะไม่เผลอผลไปกับความโกรธความโลภความหลงอื่นๆตรงนั้นล่ะจะเป็นวินาทีที่เรียกว่าจิตไม่มีทุกข์ จิตไม่มีโกรธจิตไม่มีโลภเพราะว่าสิ่งตนางนานาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นโลภไม่ว่าจะเป็นโกรธไม่ว่าจะเป็นทุกข์ก็นิพพานจากจิตเราไปเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยถ้าหากว่าพวกเราได้สังเกตกันทุกครั้งที่พวกเรายกมือความรู้สึกตัวที่ชัดเจนขึ้นมาตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่ตรงนั้นแหละจิตเราปลอดภัยแล้วปลอดภัยจากโลภจากโกรธจากหลงตรงนั้นเราเป็นจิตที่สงบสงบจากกิเลสทั้งหลายแล ตรงนี้เราเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยให้สังเกตกันการที่พวกเราเนี่ยยกมือสร้างจังหวะกันยกมือสร้างจังหวะกันการที่พวกเราอยู่กับความเคลื่อนไหวตรงนี้ตราบใดที่พวกเราเนี่ยได้กลับมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวตรงเนี้จะเป็นการสร้างนิสัยอันหนึ่งขึ้นมานิสัยว่าเมื่อไหร่ที่พวกเราเคลื่อนไหวกันเมื่อนั้นเราก็จะมีเนาะเขาเรียกว่ามีสติเนี่ยคอยดูแลกายคอยดูแลใจ คอยเป็นเจ้าของกายคอยเป็นเจ้าของใจเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีกายมีใจกั น, ก, นก็จริงแต่ว่าเนื่องจากว่ากายใจอันนี้เนี่ยกลายไปเป็นเครื่องมือของกิเลสที่พวกเราก็สร้างกันขึ้นมาเองจริ ง, รงๆแล้วกิเลสก็ไม่ได้มีมาก่อนแต่ว่าพวกเราเองก็สร้างเหมือนขึ้นมาบางคนก็ชอบเปรี้ยวบางคนก็ชอบเค็มสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้แหละที่ค่อยๆสะสมขึ้นมาเป็นกิเลสในตัวเรา ตรงนี้ละ่ะเป็นสิ่งที่พวกเราสร้างเขขึ้นมาพอเราสร้างเขขึ้นมาท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็าเข้ามาเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจเราท้ายสุดกายใจของเราก็ถูกตกเป็นเครื่องมือของกิเลส ท, ทั้งหมดเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยก็ต้องเป็นความรีบด่วนอย่างที่สุดนะว่าพวกเราเองเนี่ยจะพาตัวเองเนี่ยออกจากห้วงตรงนั้นได้ยังไงก็ออกจากห้วงตรงนั้นห้วงทุกตรงนั้นได้ง่ายๆด้วยการที่พวกเราเนี่ยได้หัดที่จะเป็นผู้ดูกัน หัดดูความเคลื่อนไหวเนาะมีการเคลื่อนมีการหยุดมีการเคลื่อนมีการหยุดไม่ว่าพวกเราจะเลือกการยกมือสร้างจังหวะหรือพวกเราจะเลือกการเดินจงกรมก็ตามตรงนี้หละก็เป็นสิ่งที่ให้พวกเราได้หัดหัดดูกันแล้วก็เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยก็จะพาพวกเราเนี่ยค่อยๆเดินผ่านฉากต่างๆของการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้น ไจกนกระทั่งถึงสิส่งที่หลวงพ่อบอกว่าจุดหมายปลายทางไม่ต้องทําอะไรมากกว่านั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามกลับมารู้สึกตัวไว้ก่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามกลับมารู้สึกตัวไว้ก่อนตรงนี้ละ่ะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดเป็นสิ่งที่จิตเราจะไม่ถูกอะไรปรุงแต่งเลเพราะฉะนั้น <duc> um. นั่นคือตรงนี้ก็ขอให้พวกเราเนี่ยมั่นใจว่า <duc> um. สิ่งที่หลวงพ่อเทียนบอกไว้สิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนบอกไว้ ก็เป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้จริงๆงสิ่งที่สามารถทําได้จริงศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวตรงนี้เนาะเป็นสิ่งที่พวกเราเพิ่งได้สวดกันไปศรัทธาในพระตถาคตหลวงพ่อคําเขียนก็บอกอาไว้ว่าคําสอนของพระุทธเจ้าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่สามารถปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าเนี่ยพูดธรรมะเอาไว้เพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติตามปฏิบัติตามไปทําไม เพ่ให้พวกเราเนี่ยได้ทุกน้อยลงน้อยลงจนทั้งไม่มีทุกในที่สุดเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ยเนาะถ้าพวกเราศรัทธาในพระเจ้าเพระพระเจ้าเนี่ยได้ทำเอาไว้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ทํำตามถ้าพวกเราศรัทธาในหลวงพ่อคําเขียนศรัทธาในหลวงพ่อเทียนเนาะก็ขอพวกเราเนี่ยได้ทําตามตรงนี้เพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคําเขียนก็ดีได้เพียนที่จะบอกกับพวกเราเนี่ยทุกคําก็คือ ตรงนี้เนะเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยทำตามแล้วก็จะได้ผลอย่างที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อจะบอกหลวงพ่อเขมเขียนจะมีคําพูดที่บอกอยู่เสมอๆนะว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดคือสิ่งที่หลวงพ่อทําเพราะฉะนั้นคือถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยได้เห็นหลวงพ่อเขมเขียนเนี่ยน่านับถือยังไงเนี่ยพวกเราเองก็ให้เชื่อว่าสิ่งที่หลวงพ่อเขมเขียนเนี่ยได้บอกได้พูดเนี่ยก็คือสิ่งที่หลวงพ่อเขมเขียนได้ทํามาก่อน เพราะฉะนั้นคือเพียงแค่เรื่องของการกลับมารู้สึกตัวเรื่องของการที่พวกเราจะหัดเป็นผู้ดูตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นกุญแจดอกเอกเป็นกุญแจที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติธรรมในขณะที่พวกเราปฏิบัติธรรมกันเนี่ยสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งที่จะเข้ามาบดบังความรู้สึกเนี่ย ก็จะมีอันหนึ่งก็คือนิสัยเก่าเก่าเนาะนิสัยเก่าเก่าที่เราเคยชินอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งพวกเ็า <debido S 2> เรียกว่าคนที่อยู่กับการทำงานในปัจจุบันเนาะการหมกมุ่นคลุ้นคิดหรือว่าการที่จะต้องคิดวางแผ น, แผนการที่จะต้องคิดนู่นคิดนี่มันก็ปะปนกันไปหมดนะเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้ว่าการปฏิบัติเนี่ยพวกเราเนี่ยจะวางความคิดกันไม่เป็น แต่ว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็บอกเอาไว้นะว่าถ้าพวกเราระลึกขึ้นได้เมื่อไหร่ว่าพวกเราเนี่ยคิดไปแล้วเนี่ยให้พวกเรากลับมารู้สึกตัวใหม่การที่บอกว่าคิดไปแล้วกลับมารู้สึกตัวใหม่ตรงเนี้ยเนาะก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยกลับมารู้สึกตัวการที่พวกเราเนี่ยรู้ว่าตัวเองคิดไปกลับมารู้สึกตัวใหม่ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนก็ได้เน้นได้ย้ำเอาไว้แล้วก็ตรงนี้แหละก็เป็นสิ่งที่เป็นเบื้องต้นที่สุด แล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าต้องให้พวกเราเนี่ยได้ฝึกนิสัยนี้ให้ได้การที่พวกเราบางครั้งมาอยู่วัดกันนานๆบางครั้งได้ยินเทปหลวงพ่อเก่าๆบ้างบางครั้งได้ยินหลวงพ่อเทศบ้างสิ่งที่พวกเราจะได้ยินติดหูกันตรงนี้ก็จะตามเขาเรียกว่าตามไปอยู่ในห้วงของความคิดเร า, าก็เป็นสิ่งที่บางครั้ง เขาเรียกว่าพวกเราก็จะถูกความคิดหลอกนะเพราะว่าคิดถึงคําเทศของหลวงพ่อก็ดีนะหลวงพ่อบอกอย่างนั้นหลวงพ่อบอกอย่างนี้ก็ดีนะแต่ว่าทํานองเดียวกันเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปที่หลวงพ่อเทียนบอกเอาไว้ว่าถ้ารู้ว่าคิดเมื่อไหร่ก็ให้กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งถ้ารู้ว่าคิดเมื่อไหร่ก็กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งตรงนี้ละเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะคิดดีก็ตามไม่ว่าจะคิดไม่ดีก็ตามเนี่ยให้พวกเราแบบว่า กลับมาไว้ก <ygen ate krit> ่อนกลับมาไว้ก่อนการที่พวกเราแข็งใจที่จะกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งแข็งใจที่จะกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งแล้วก็วางความคิดที่พวกเราเนี่ยแบบว่าอาจจะเห็นเป็นสิ่งที่ดีอาจจะเป็นความเย้ายวนของพวกเราหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยถ้าพวกเราวางได้เนี่ยพวกเราก็จะหัดวางความคิดเป็นถ้าพวกเราหัดวางความคิดเป็นเนี่ยความคิดที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์เนี่ยก็จะทาอะไรเราไม่ได้ เาว่าตรงนั้นน่ะก็จะเป็นสิ่งที่นิสัยใหม่ก็คือนิสัยวางความคิดก็จะเป็นของพวกเราทีละเล็กทีละน้อยนี่ว่าโอกาสที่พวกเรามาอยู่ที่วัดตรงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่พวกเราเองเนี่ยได้ทิ้งเ็าเรียกว่าความเคยชินเก่าๆมามาอยู่กับความเคยชินมาอยู่กับบรรยากาศใหม่ๆมาอยู่กับสิ่งใหม่ๆตรงนี้เนาะก็อยากให้สิ่งใหม่ๆตรงนี้กลายเป็นความเคยชินไปอีกครั้งหนึ่ง ให้พวกเราเนี่ยได้ตื่นตัวเนาะตื่นตัวกับการที่กลับมารู้สึกตั ว, ตวการกลับมารู้สึกตัวตรงเนี้จะเป็นการชุดให้พวกเราเนี่ยไม่วนกลับไปซ้ำอยู่กับที่เดิมไม่วนกลับไปอยู่ความเคยชินเดิเมแล้วก็ตรงนี้ลหละจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเราเนี่ยได้ห่างออกจากทุกไปเรื่อ ย, อยๆก็ๆ <advantage S 2> ขอให้พวกเรามั่นใจว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนบอกเอาไว้สิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนบอกเอาไว้ ตรงนี้ก็ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนก็พูดอย่างอ่าจหารเป็นสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนก็พูดอยู่ตลอดเ็าเรียกว่าหลายหลายสิบปีที่ผ่านมาก็หลายสิบปีก็อาจจะสีสิบกว่าปีที่ผ่านมานะเราจะพบว่าหลวงพ่อคำเขียนไม่พูดเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องนี้เท่านั้นเองหลวงพ่ออ้าปากเมื่อไหร่นะ หลวงพ่อก็จะพูดเรื่องความรู้สึกตัวอ้าปากมื่อไหร่หลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องการเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นตรงนี้เนาะหลวงพ่อจะพูดผ่านมุมมองต่างๆนานาเหล่านี้แต่ว่าก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้มั่นใจว่าสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยที่หลวงพ่อเพียนพูดยังไม่รู้จักเบื่อเนี่ยก็เพราะว่าสิ่งนี้แหละที่ทําให้หลวงพ่อเป็นหลวงพ่อทุกวันนี้หลวงพ่อเขียนเคยพูดเนาะบอกว่าหลวงพ่อเทียนเป็นยังไง วันนี้หลวงพ่อก็เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเทียนสอนอยังไงวันนี้หลวงพ่อก็สอนอย่างนั้นหลวงพ่อเทียนกับหลวงพ่อก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยเนาะคำว่าเหมือนกันตรงเนี้ยเหมือนกันตรงไหนเหมือนกันก็คือหัวใจของการปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อกำเขียนหรือหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ทอเนาะกับพวกเราที่อาจจะหลงไปบ่อยๆ อ, อาจจะหลุดไปบ่อยๆ อาจจะขาดสติไป บ, บ่อยๆพวกเราเองเนี่ยเคยรู้สึกหรือเปล่าว่าถ้าพวกเราเนาะแบบว่าศรัทธาในหลวงพ่อเนี่ยสิ่งที่พวกเราเนี่ยควรจะต้องทำคืออะไรกันก็คือทำเนาะคำสอนของหลวงพ่อเนี่ยให้เป็นจริงละยานหลังๆพวกเราเนี่ยจะได้ยินอันหนึ่งก็คือหลวงพ่อมักจะบอกอยู่เสมอๆว่าทุกวันนี้หลวงพ่อหวังพึ่งพวกเราแล้วตรงนี้เนี่ยก็ อ, อยากจะบอกว่า การหวังพึ่งตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงหวังพึ่งเนาะให้พวกเราเนี่ยได้พยายามเร่นเนาะตัวเองขึ้นมาเพื่อให้รับภาระของหลวงพ่อออกไปรับภาระอะไรรับภาระในการที่พวกเราเนี่ยจะได้บอกได้สอนคนอื่นต่อไปถ้าหากว่าพวกเรารักหลวงพ่อถ้าพวกเราศรัทธาในหลวงพ่อเนี่ยก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งมั่นเนาะที่จะทำตามคำแนะนำของหลวงพ่อ ในการที่จะฝึกที่จะเป็นผู้ดูตรงนี้ล่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราไม่ต้องดูอะไรมากไปกว่าดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกถ้าพวกเราเนี่ยทำแค่นี้เองเนาะทำให้ชํนานเนาะทำให้เก่งเนาะกลับมาจากหลงได้เร็วเนี่ยเปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้เร็วตรงนี้ล่ะก็จะเป็นสิ่งที่ผลที่ได้ก็คือจิตที่ไม่มีทุกเนี่ยก็จะมีของ เป็นของพวกเราเนี่ยในหลายๆหลายๆขณะแล้วก็ตรงนี้ละก็จะเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยจะค่อยได้พบความจริงในกายพบความจริงในใจเมื่อกี้เนาะหลังจากที่บทสวด ท, ที่พวกเราสวดว่าศรัทธาในพระธถาคตของผู้ใดพระจานทร์สุรินทร์ก็ได้พาสวดบทต่อมาเนาะว่าถ้าเมื่อไหรพวกเราเนี่ยเห็นเนาะว่า สังขารไม่เที่ยงเนาะใช่ไหมอย่างนั้นสังขารเป็นทุกเนาะอย่างนั้นถ้าหากพวกเราเมื่อไหร่เห็นอย่างนี้เนาะอย่างนั้นเห็นกายเราเป็นทุกเห็นใจเราเป็นทุกเห็นกายเราไม่เที่ยงเห็นใจเราไม่เที่ยงจะเห็นได้จากไหนก็เห็นได้จากการที่พวกเราฝึกกันเป็นผู้ดูเพราะว่าเราดูอะไรดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ต้องเห็นนะความไม่เที่ยงเนาะของใจเรา อย่างที่บอกว่าถ้าเราติ๊กไว้บนกระดาษเนี่ยเดี๋ยวกระดาษของเราเนาะก็มีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักเบื่อเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนั้นนั่นก็คือเป็นธรรมชาติที่เราฝึกจิตของเรามาถ้าหากว่าเราจะอยู่กับจิตอันนี้เนี่ยให้เขาเรียกว่าอยู่กับจิตอันนี้ยังไม่ทุกข์ตรงนั้นก็หมายความว่าพวกเราก็ต้องชัดเจนว่าจิตของเรานี่แหละมันก็เป็นอย่างนี้เองจิตของเราเป็นอย่างนี้เองเพราะอะไรเพราะว่า เราเนี่ยเห็นมันจนชัดเจนแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองกายเราก็เหมือนกันกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเพราะเนื่องจากว่าเราก็ดูมันมานานดูมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองเราก็สั่งอะไรมันไม่ได้สักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้หละเป็นสิ่งที่จากการที่หัดเป็นผู้ดูดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกตรงนี้เป็นสิ่งที่จะมีคาตอบเนี่ยมากมายเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นนั่นคือขอให้พวกเราเนี่ย ที่ได้มาถึงวัดป่าสุขโตโด้วยความยากลําบากกันที่พวกเราเพียรมาที่วัดป่าสุขโตโด้วยความยากลําบากกันก็ขอให้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนบอกว่าเราไม่ได้มาเจอกันที่สุขโตแต่ว่าเรามาเจอกันที่ความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้นก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้อนิสงส์จัด ก, การที่พวกเราเนี่ยได้ทําตามคําแนะนงงะํนานนของหลวงพ่อเทียนได้ทําตามคําแนะนําของหลวงพ่อคำเขียน ในการที่กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งในการที่พวกเราได้ฝึกเป็นผู้ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนั่คื อ, famous, อตรงนี้เนาะว่าจิตของพวกเราเนี่ยที่ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าก็จะมีกับพวกเราในขณะที่พวกเรากลับมาเป็นผู้ดูกลับมาเป็นผู้รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ก็เหลือแต่พวกเราเนี่ยจะทาให้เก่งขึ้นจะทาให้คล่องขึข้นแล้วก็จะทาให้ถึงที่สุด ยังไงเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้รับอนิสง์เนาะจากความรู้สึกตัวได้รับอนิสงฆ์จากการเป็นผู้ดูทวนหน้ากันทุกคนทุกท่าน<อ>ก็พวกเราก็<อ>เดี๋ยวกลับพระพร้อมกัน